โยมคนไหนนั่งพื้นไม่สะดวกนั่งเก้าอี้ก็ได้นะอะคุณกบเชิญเอ่ออาทิตย์ที่สองอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เริ่มจัดการกับความอยากดีด้วยการที่นั่งมองกิเลส ท, ที่มันเกิดขึ้นเกิดขึ้นก็คิดว่าก็ดีก็รู้สึกว่าวุ่นวายใจน้อยลงค่ะดีแล้ว คุณสุนันเชิญบางครั้งเหมือนกับว่าไม่ได้สนใจที่จะดูอะคะ่ะเลยรู้สึกว่าเหมือนก็เฉยๆไปอะคะ่ะย ก, ยกมาใกล้ๆปากเหมือนกับไม่มีฉันทะที่จะดูะคะ่ะแล้วมันก็เฉยๆไปอะคะ่ะไม่ทราบเฉยไปค่ะใจมันเฉยไปมันเหนื่อยๆมากไปใช่ต้องแอคทีฟหน่อยแล้วทำสมถะเหรอคะไม่ใช่หรอกปลุกใจให้มันแอคทีฟกว่านี้ ทำใจให้มันคึกคักหน่อยห <c oughs> ลวงพ่อคะและ้วพอดีมีคนเขาฝากถามนะคะเขานั่งเขาทำสมาธิอะค่ะแล้วเขาไม่ไม่เข้าใจคาว่าถอนจิตขึ้นมานิดนึงอะไรเนี่ยค่ะอ๋อคือส่วนมากเวลาไปรู้เวลาที่ตรอมมาบอกให้ถอยขึ้นมานิดนึงเนี่ยเนี่ยเพราะว่าเวลาเราไปทำกรรมฐานนะใจเราถลำลงไปใจเราไม่ตั้งมั่นในการรู้อารมณ์ ยกตัวอย่างเรารู้ลมหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยเวลาเรารู้ลมปุ๊บใจเราเคลื่อนไปมันเคลื่อนไปเก่อที่ลมเวลารู้มือรู้เทา้ารู้ท้องนะหรือยกเท้าย่างเท้าอะไรเนี่ยใจไหลไปอยู่ที่เท้าไปดูท้องพองยุบใจไหลลงไปอยู่ในท้องไปนอนนิ่งๆแช่แ ช, ช่ซึมซึมอยู่อย่างนั้นไม่ดีใจต้องถอยขึ้นมานะมาเป็นคนรู้คนดูเขาบอกว่าของเขาเนี่ยปฏิบัติถึงกับว่า ลมหายใจหมดทำนองนั้นนะคะนี่ก็เป็น<ล>สมถะไงค่ะแล้วเขาก็สงสัยว่าแล้วต้องถอนจิตขึ้นมานิดนึงตรงนั้นเพื่อที่จะมาทําวิปัสสนาทํำยังไงอะค่ะอ๋อให้เราเราให้มันถอนเองให้รู้ทันว่าจิตไหลลงไปเกาะลมะให้รู้ทันว่ามันสงบเสร็จแล้วพอใจถอยขึ้นจากความสงบเนี่ยให้มีสติรู้ทันใจไปเลยรู้ทันจิตไปเลยไม่ต้องถอยถ้าอย่างนั้นไม่ต้องถอยมันถอยเอง ก็คือเหมือนกับว่าพออาจจะว่ากลับมารู้รู้ทันความคิดอะไรเงี้ยใช่ใช่ใจออกจากฌานอ่ะใจออกจากฌานนะให้ให้มีสติรู้ทันใจเข้าไปเลยตรงนี้เป็นตัวจุดที่สําคัญหลายคนทําสมาธิพระจิตรวมลงไปแล้วก็ถอยออกมาแล้วก็เลิกไปเลยนะ<ม>เสียโอกาสเพราะช่วงที่จิตถอยออกมาเนี่ยเป็นช่วงที่จะเห็นสภาวะได้ละเอียดที่สุดเลยจิตมันมีสมาธิมาก มันแค่ๆเรามีโต๊ะตัวหนึ่งนี่เราเช็ดโต๊ะเกลี้ยงเลยนะฝุ่นเล็กๆตกลงมาเราก็เห็นละจิตก็เหมือนกันพอออกจากสมาธินอะไรแปลกปลอมนิดนึงก็เห็นละนี่ถ้าทิ้งตอนนี้ก็คือเสียโอกาสอ่ะต่อไปกราบธรัมสการ์หลวงพ่อเจ้าค่ะวันนี้ก็พอจะมาวัดรู้สึกดีวันก่อนที่หลวงพ่อได้อ่แนบไปว่าดีแล้วนะคะกลับไปวันนั้นสติเกิดทั้งคืนจนรู้สึก มันเบื่อว่าทําไมมันเกิดขนาดนี้แล้วพอถัดจากนั้นเนี่ยอีกสองสามวันก็ก็ไม่ค่อยดีค่ะแต่รู้สึกว่ามันจิตใจเป็นยังไง ร, รู้อะฮะแต่ว่าไม่มากเท่าไหร่ค่ะมันอะไรนะเอะทราบว่าว่าเป็นยังไงแต่ว่าไม่สติไม่ได้เกิดบ่อยเหมือนกับวันที่หลวงพ่อทักไปค่ะแต่พอเริ่มจะมาวัดก็เริ่มดีอีกค่ะก็ได้นะส่วนมากเวลาจะมาวัดบางอย่างมากมันก็ดีไปเจ็ดวันเท่านั้นแหละ แล้วก็ค่อยๆถอยลงไปถอยลงไปนะธรรมดาเป็นทุกคนแหละส่งต่อไปคนไหนไม่มีอะไรคุยก็ส่งผ่านได้คือว่าพังนี่รู้สึกอะค่ะว่าวันๆหนึงจิตใจมันมันไม่เหมือนกันนะคะบางทีมันก็แบบมีความสุขมันก็สนุกบางทีก็รู้สึกเศร้าอะค่ะบางทีมันก็หดหูออ่ก็ดูไปอย่างที่เขาเป็นให้เห็นเลยจิตใจนี่เป็นของบังคับไม่ได้ห้ามไม่ได้นะ เลือกไม่ได้ด้วยจสุขจะทุกข์จะดีจะชั่วดูเพื่อให้เห็นความจริงอะว่าเราบังคับเขาไม่ได้หรอกเวลาเรามีสติขึ้นมาเนี่ยพอถ้าสติตัวจริงเกิดนะมันจะเห็นทันทีว่าสภาวะธรรมทั้งปวงเนี่ยไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเวลาเราขาดสติมันก็เป็นคนเป็นสัตว์ขึ้นมาดีแล้วดูไปเรื่อย บางทีรู้สึกว่าถ้าเราไล่ไล่รู้ไปเรื่อยครับมันจะมาสุดแถวๆตรงตรงกลางหน้าอกเนี่ยครับอืแล้วก็ค่อยๆหลงรอบต่อไปอย่างเงี้ยครับวนๆไปนี้เรื่อยอ ะ, อะไรอยู่กลางหน้าอกนะมันเหมือนก็ความรู้สึกครับบางทีเราไปหลงกับความคิดหรือว่าไปห<อ>ลงทํางานทางใจไปเรื่อยครับเดี๋ยวเราไล่ไล่ไล่ไลไปเรื่อยมันก็มาสุดมันเหมือนกับว่ามันมาสุดที่กลางหน้าอกใช่ความสุขความทุกข์กุศลอกุศลนั่นมันเกิดขึ้นกลางอกนั่นแหละ นะกลางอกในตำราปริยัติบอกว่านามนธรรมพวกเนี้ยเกิดที่หัตยวัตถุนี่ตำราไปบอกหัตยวัตถุอยู่ที่หัวใจเราดูจากของจริงมันไม่ได้อยู่ที่หัวใจหรอกนะอาทิตย์ที่ผ่านมารู้สึกว่ารู้สึกตัวได้ยากนะครับแล้วก็เวลาที่รู้สึกตัวเหมือนกับมันจงใจที่จะรู้นะครับใจมันยังซึมอยู่นิดนึงครับรู้สึกไหมมันซึ ม, ซม ไม่ไม่ไม่รู้สึกมากครับรู้สึกแต่ว่าพยายามที่จะไม่ได้นลนเพื่อที่จะรู้ตัวครับแต่ไม่แน่ใจว่าแบบนี้ถูกหรือเปล่าครับใจยังมีโมหะมันมัวมันรู้ตัวได้ไม่ชัดครับอย่าไปตกตกใจนะครับแล้วก็อย่าไปอยากรู้สึกตัวถ้าอยากรู้สึกตัวให้รู้ว่าอยากไปเลยแ ล, แล้วเรารู้สึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆได้ไหมครับไม่ได้รู้อยู่ตรงนี้รู้ผิดครับตอนนี้ใจมันซึมไป รู้สึกไหมมันนิ่งๆทื่อๆรู้สึกครับเพราะพยายามที่จะไม่ไม่ดิ้นรนนะครับเฮ้ยไม่ใช่ไม่ดิ้นแบบนี้นะครับมันสุดต่งมาข้างซึมไม่ได้นะครับคขอบคุณครับอ ย, อย่าปล่อยให้ใจมันซึมไป Active ไว้เนี่ยๆอย่างนี้ไม่ได้อย่างเม่กี้หลงแวบไปนะเมื่อกี้นี้หลวงพ่อพูดเรื่องสมาธิอะค่ะก็เลยขออนุญาต อ, อแทรกนิดนึง มีพี่สาวคนหนึ่งอะค่ะไม่เคยทำสมาธิเลยแต่เมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยไปนั่งเป็นสัมมนาในบริษัทอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วให้เขาให้นั่งสมาธิค ร, ครั้งแรกในชีวิตเลยแล้วก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนี่ยนั่งแล้วมันก็หมุนนะคะแล้วอันนี้คือจากที่เขาเล่านะคะหมุนแล้วมันก็เหมือนกับขึ้นไปมีปัญญา อะไรต้องต้องฟังแล้วก็ไม่ไม่แน่ใจในการถ่ายทอดแต่ทีนี้พอครั้งหลังๆต่อมาเนี่ยเหมือนกับไม่มีครูบาอาจารย์ที่นั่งประกอบอยู่ด้วยอะค่ะแล้วเขาก็เลยกลัวแล้วเหมือนเหมือนกับจะอาเจียนแล้วเขากไ็ไม่กลัวมากไม่ไม่สามารถผ่านตรงนี้ไปได้หลวงพ่อจะแนะนำว่าอย่างไรพี่เอ๋ย่ไปทำเลยนะสมาธิสมาธิต้องตั้งมั่นสมาธิไม่ได้หมุนนะสมาธิเป็นความตั้งมั่นของจิตนี่บางคนฝึกหมุนนะจงใจหมุนเลยก็มี ก็คือไม่วิจารณ์นะเขาฟังเขาฟังซีดีหลวงพ่อเยอะแล้วอะค่ะแล้วก็พยายามทให้หคือให้เขาฝึกอยู่ในชีวิตประจำวันถ้าอย่างนั้นมันเครียดเกินไปบางทีมันข่มใจนะเคลิ้มลงไปนะจิตใต้สำนึกก็ออกบางคนจิตใต้สำนึกทำงานออกมานะรู้สึกตัวเองเหมือนสัตว์เลื้อยคลานก็มีนะเลื้อยๆไปตามพื้นเลยก็มีไปหลงเป็นเจ้ากรรมนายเวรเป็นอะไรต่ออะไร ว่าวิญญาณสิงบ้างอะไรบ้างยุ่งสมาธิที่สำคัญมากเลยคือตัวสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิต้องรู้สึกอะรู้สึกกายรู้สึกใจไปใจตั้งมัน่นไม่ลืมกายไม่ลืมใจเรียกว่ามันมีสมาธิถ้าเมื่อไหร่ใจเราไม่ตั้งมัน่นลืมเนื้อลืมตัวไปก็เรียกว่าขาดสมาธิแท้จริงแล้วสมาธิเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นสาธารณะเกิดได้กับจิตทุกๆดวง จิต ท, ที่เป็นอกุศลก็มีสมาธิได้คือการที่มันจับอารมณ์อันเดียว น, นั่นเองธรรมดาของจิตมันจับอารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวนี่ถ้าไปจับอารมณ์อย่างเดียวกันแล้วต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะใจมันก็นิ่งๆส่วนสัมมาสมาธิเนี่ยใจมันตั้งมั่นขึ้นชั่วขณะตั้งมั่นอยู่กับปัจจุบัน น, นั่นเองใจไหลแวบรู้สึกขึ้นมาใจก็ตื่นขึ้นมาชั่วขณะเดี๋ยวก็ไหลไปอีกรู้สึกเอาอีกนั้นสมาธิ ต้องระวังนิดหนึ่งมันมีสัมมาสมาธิกับมิจฉาสมาธิมิจฉาสมาธิมันจะไหลเข้าไปเพ่งไปจ้องแล้วไปเคลิบเคลิ้มลืมเนื้อลืมตัวสัมมาสมาธิใจตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวอยู่กระทั่งทําสมาธินั่งหายใจหรือทําฌานนะเวลาที่จิตรวมไม่ใช่รวมวุ้ไปขาดสตินะหลายคนไปนั่งแล้วก็อย่างเงี้ยบอกว่ามีสมาธินะไม่ใช่นะไม่ใช่สมาธินะ เวลาจิตรวมเป็นสมาธิจริงๆมันเหมือนเครื่องบินแลนดิ้งนะลงไปนุ่มๆรู้เนื้อรู้ตัวตลอดสายเลยไม่ใช่ขาดสติถ้าเมื่อไหร่ขาดสตินะจิตเป็นอกุศลสมาธิที่เกิดจากอกุศลมันก็เป็นมิจฉาสมาธิไปดังนันสมาธิกระทั่งจิตรวมนะก็ยังรู้เนื้อรู้ตัวนะร่างกายอาจจะหายไปนะความคิดหายไปแต่ความรู้สึกยังอยู่มีความรู้สึกอยู่จนถึงเนวนสัญญานั่นแะ มีความรู้สึกเหลืออยู่นิดหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ขาดหายไปนั่นต้องรู้สึกตัวความรู้สึกตัวสำคัญที่สุดวันนี้จิตกระจายครับวันนี้กระจายตับถูกเนี่ยหนุ่มเนี่ยมันบังคับตัวเองเยอะไปมันอยากดีรักดีหามจัวัวจั่วหนักนะว่ากระจายแล้วรู้ว่ากระจายแล้วมันก็ยังไม่หายใช่ไหมถ้ารู้ไปเรื่อยๆนะรู้แล้วสบายใจ สบายใจไม่ต้องไปรู้แล้วกังวลใจถ้ารู้มันอย่างสบายใจเดี๋ยวใจจะตั้งมั่นขึ้นมามีความสุขแล้วใจจะสงบความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิไม่ใช่น้อมใจไปซึมๆเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธินะทุกอาการเลยป่ะครับที่อาการที่เป็นผิดปกติเนี่ยเราตามดูตามรู้ไปเรื่อยแล้วมันจะกลับมา อ, อ, อาการทั้งหมดจะปกติไม่ปกติก็เสมอกันหมดแหละ คือเมื่อเห็นสภาวะใดๆแล้วเนี่ยจิตยินดียินร้ายขึ้นมาให้รู้ทันถ้ารู้ไม่ทันเกิดความยินดียินร้ายจิตจะปรุงจิตจะทำงานดิ้นรนไปเกิดความทุกข์ถ้าเห็นสภาวะใดๆเกิดนะสุขทุกข์ดีชั่วเกิดขึ้นเราสักว่ารู้สักว่าเห็นไม่ได้ยินดียินร้ายแต่ก็ไม่ได้เจตนาสักว่ารู้ว่าเห็นนะใจมันเป็นกลางของมันเองเพราะมันมีปัญญา รู้ว่าสุขก็ชั่วคราวทุกชั่วคราวดีชั่วคราวชั่วก็ชั่วคราวจิตจะเป็นกลา ง, ลงเา ม, ามันปรับเอ ง, เองแต่ว่าถ้าไปรู้สภาวะแล้วไม่เป็นกลางขึ้นมาให้รู้ทันรู้ทันความยินดียินร้ายนั้นพระเจ้าสอนที่สูตทั้งหลายเมื่อใจรู้ธรรมารมณ์ความยินดียินร้ายเกิดขึ้นที่จิตให้มีสติรู้ทันถ้ารู้ไม่ทันกิเลสจะครอบงำเอา ถ้ารู้ทันความยินดียินร้ายจะดับไปจิตเป็นกลางรู้ตื่นขึ้นมาเบิกบานก็จะเห็นสภาวะธรรมทั้งหลายตรงตามความเป็นจริงว่าสภาวะธรรมทั้งหลายนะผ่านมาแล้วผ่านไปนไม่เที่ยงสภาวะธรรมทนอยู่ไม่ได้อยู่ได้ชั่วครั้งชั่วคราวก็าหายไปทั้งหมดสภาวะธรรมทั้งหลายมันไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่คนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเป็นแค่สภาวะเช่นความโกรธไม่ใช่คนนะความโกรธไม่ใช่สัตว์ เราพอมีสติเห็นความโกรธความกรธไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่คนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาการที่เรามีสติบ่อยๆเนี่ยมันจะค่อยๆเห็นสภาวะทั้งรูปธรรมนามธรรมไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขามันจะค่อยๆละความเห็นผิดว่ามีเรามีเขาไปถึงจุดหนึ่งเห็นเลยขันห้าก็เป็นขันห้านะรูปนามเป็นรูปนามอย่างนั้นแหละแต่ไม่ใช่เราหรอกไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่คนเป็นแค่ รูปธรรมนามธรรมเอาปัญญาเกิดอย่างนี้นะหมดความเห็นผิดแล้วว่ามีตัวเราอยู่ได้พระโสดาบันพวกเราแต่ละคนสะสมความรู้ผิดความเข้าใจผิดตลอดเวลาตั้งแต่เราลืมตาขึ้นมาทันทีที่เราลืมตาเราก็เห็นคนใช่ไหมเห็นผู้หญิงเห็นผู้ชายเห็นหมาเห็นแมวเห็นต้นไม้เห็นโน้นเห็นนี่ไปเลยเนี่เราสะสมความเห็นผิด ถ้าเรามีสติขึ้นมาเราจะเห็นเลยสิ่งที่ตามองเห็นก็เป็นแค่รูปไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์อะไรหรอกเป็นแสงสะท้อนเท่านั้นเองเป็นสีหรืออย่างเราได้ยินเสียงเนี่ยเราก็สะสมความรู้ผิดเข้าใจผิดมันเสียงคนเสียงสัตว์เสียงผู้หญิงเสียงผู้ชายเสียงเด็กเสียงผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเสียงลมพัดสะสมความรู้ผิดเข้าใจผิดเลยเสียงก็คือเสียงนั่นแหละส่วนเสียงคนเสียงสัตว์เสียงอะไรนี่เป็นสิ่งที่เราบัญญัติขึ้นมา เวลาเรานั่งคิดใช่ไหมเราก็คิดว่าเราอย่างง้นเราอย่างนี้มันสะสมความรู้สึกว่ามีเราเราอย่างง้นเขาอย่างนี้เราดีเขาไม่ดีส่วนใหญ่ก็อย่างนั้นเรานี่เป็นคนดีดีเขาไม่ดีกับเราเลยเขาเนี่ชั่วเราทําคุณไม่ขึ้นสัทีอะไรเงี้งสยส่วนมากชอบคิดอย่างนี้นะทําไมคิดว่าทําคุณกับใครก็ไม่ขึ้นหรือไม่เพราะอยากอาบุญคุณสิถ้าไม่ได้คิดทําคุณอาบุญคุณนะัไม่รู้สึกหรอกอันนั้นทำไปเรื่อยๆ มีความสุขที่ได้ทํำมันจะสะสมแต่ความรู้สึกผิดผิดมีเรามีเขามีดีมีชั่วมีถูกมีผิดมีโน้นมีนี่ขึ้นมาเราไม่เห็นสภาวะธรรมล้วนๆที่ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์งั้นการที่เราหัดมามีสติรู้สึกตัวขึ้นมาเราจะเห็นรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์อะไรความโกรธผ่านมานี่เห็นไหมความโกรธไม่ใช่คนนะความโกรธไม่ใช่สัตว์ ความโกรธก็ไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาแล้วจิตไปรู้เข้าเท่านั้นเองความโลภความหลงก็เหมือนกันความสุขความทุกข์ก็เหมือนกันอะไรอะไรก็เหมือนกันคือมีแต่รูปธรรมานมามรรมไหลผ่านมาผ่านไปเป็นสภาวะธรรมล้วนเลยผ่านมาผ่านไปในการที่เรามีสติมันจะค่อยๆละความเห็นผิดไปทีละน้อยไม่ต้องรีบร้อนนะว่าภาวนาแลแ้วแหมเมื่อไหร่จะบรรลุมรรคผลนิพพานทีลาสะสมความเห็นผิดสะสมมาหลายภพหลายชาติไม่บนนะ สะสมความเห็นถูกเดือนหนึ่งแล้วโอ้ตั้งเดือนแล้วยังไม่บรรลุอีกหลวงพ่อเคยเจอนะภาวนาได้เจ็วันโอ้เจ็ดวันไม่บรรลุต้องเจ็ดเดือนถึงจะบรรลุเจ็ดเดือนก็โอ้ยังไม่บรรลุอีกละวเจ็ดปีคงยังบรรลุจนนี้เกือบเจ็ดชาติแล้วนะยี่สิบสามสิบปีแล้วก็ยังไม่บรรลุอีกคือไม่รู้ว่าภาวนาเพื่ออะไรคิดแต่ว่าภาวนาแล้วจะเอา จะเอาโนู่นจะเอานี่จะเอามรรคผลนิพพานจะเอาความสุขจะเอาความสงบจะเอาความดีคิดแต่จะเอาถ้าภาวนาเพื่อจะรู้เนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยภาวนาเพื่อจะรู้กายตามความเป็นจริงไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่คนไม่ใช่เราใช่เขาหรอกเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุมันถูกความทุกข์เบียดเบียนอยู่ตลอดเวลาภาวนาเพื่อจะเห็นความจริงของจิตใจมันไม่เที่ยงนะมันทํางานของมันได้ทั้งวันทั้งคืนเลยมันไม่เคยหยุดพัก มันทนอยู่ไม่ได้ในภาวะอันแดนหนึ่งมันเป็นทุกข์มันทนอยู่ไม่ได้มันไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์นะอย่างความโลภความโกรธความหลงไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์มีแต่ธรรมชาติอย่างหนึ่งไหลมาไหลไปต้องเห็นซ้าแล้วซ้าอีกน่ะใจถึงยยอมเชื่อยอมรับความจริงว่ารูปนามกายใจนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่มีเรามีเขาเป็นแค่วัตถุ เป็นก้อนธาตุเหมือนกับธาตุอื่นๆนี้แหละเหมือนกันหมดเลยนะจะไม่รู้สึกแยกเราแยกเขารู้สึกกลมกลืนเปน็นอันเดียวกันหมดอะทางร่างกายก็กลมกลืนเป็นสมบัติของโลกของจักรวาลเปน็นอันเดียวกันหมดนี่อย่างที่ไอสไตบอกเมื่อเช้าที่เคยเล่าคนเราไม่ฉลาดนะมันไปแบ่งแยกสร้างกำแพงขึ้นมาวงหนึ่งนะกั้นเกิดเราขึ้นมาพอมีเราปับ๊บมันก็มีคนอื่นมีสิ่งอื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยพอปัญญารู้แจ้งแทงตลอดลงมัน นี่มันเป็นวัตถุเหมือนกับก้อนดินก้อนหินอะไรนี่เหมือนต้นไม้เหมือนคนอื่นสัตว์อื่นนั่นแหละเหมือนกันหมดเลยไม่ใช่เราใช้เขาเป็นวัตถุเป็นธาตุเหมือนเหมือนกันดินน้ําไฟลมเหมือนเหมือนกันเนี่ยละความเห็นผิดอย่างนี้ส่วนจิตใจเราเดิมเราคิดว่าเราโกรธเห็นไหมเราจะรู้สึกเราโกรธเราอยากได้เรารักเราเกลียดเราดีใจเราเสียใจจะรู้สึกอย่างนี้พอหัดมีสติขึ้นมาเราจะเห็นเลย ความกโกรธก็ไม่ใช่เรานะความโกรธเป็นสิ่งที่จิตไป ร, รู้เข้าไม่ใช่เราโกรธนะความโกรธมีอยู่แต่ไม่ใช่เราโกรธความโลภมีอยู่แต่ไม่ใช่เราโลภเป็นนามธรรมอันนึงไหลามาแล้วก็ไหลไปจะค่อยๆละความเห็นผิดทีละน้อยทีละน้อยถึงจุดหนึ่งก็เกิดรู้จริงขึ้นมาเห็นถูกเห็นถูกแล้วกายใจนี้ไม่ใช่ตัวเราเหรอกแต่ยังรักยังหวงแหนนะเพราะเคยชินยังเคยยังรักยังหวงแหนอยู่งั้นเห็นแล้วว่าเป็นสมบัติของโลกแต่งกไม่คืนเขา ถ้าโสดาบันขี้งกนะถ้าเส ก, กิตาคาก็ขี้งกนะไม่คืนหรอกห่วงห่วงกายห่วงใจส่วนผ้านาคานะเห็นล่กายนี่ทุกล้วนๆเลยคืนกายให้โลกได้เนั้นหมดความยึดถือในตาหูจมูกลิ้นกายพอหมดความยึดถือในตาหูจมูกลิ้นกายก็หมดความยินดียินร้ายในรูปเสียงกลิ่นรสและผดทั่วพระสิ่งที่มากระทบกายแต่ทั่งตา ย, ยังไม่ยินดีกับมันเลยจะไปยินดีอะไรกับรูปที่ตามองเห็น ั้นไม่ยินดียินร้ายในรูปเสียงกลินล่นรส佛陀พระเมื่อไม่ยินดีก็ไม่มีการมาราคะเมื่อไม่ยินร้ายก็ไม่มีปฏิฆะพระอนาคามีถึงละกามและปฏิฆะได้เพราะอะไรเพราะมีปัญญารู้แจ้งในกายปล่อยวางความยึดถือกายได้แต่ยังงกนะยึดถือจิตเอาไว้อีกเพราะนั้นพระอนาคามีก็ยังขี้งกอยู่แต่งกน้อยกว่าพวกเราพวกเรางกเยอะนะของเรางกแล้วแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวด้วย คิดว่าเป็นของเราจริงๆคิดว่ากายนี้ใจนี้เป็นของเราจริงๆเอได้โสดารู้เลยกลายนี้ใจนี้เรายืมโลกมาใช้ยืมมาใช้แต่งกนะห่วงเอได้ผ้านาคารู้เลยกลายนี้ทุกล้วนๆไม่ใช่ของดีของวิเศษเลยมันยอมคืนให้โลกเข้าไปเพราะฉะนั้นกายจะแตกดับสลายลงไปไม่เสียใจไม่เสียอกเสียใจเนี่ยจะวางไปตามลำดับนะจนสุดท้ายเลยมันจะรวมเข้ามาที่จิตอันเดียว แล้วก็เห็นเลยจิตนี่เองก็เป็นตัวทุกข์เมื่อไหร่เห็นจิตเป็นตัวทุกข์แกมแจ้งจะวางแนละ้วพอวางจิตลงไปจะไม่หยิบฉวยอะไรขึ้นมาอีกในพระสูตรมีบอกว่าพระขันทังห้าเป็นภาระขันทังห้าเป็นภาระพระอริยเจ้าทั้งหลายวางภาระลงแล้วแล้วก็ไม่หยิบฉวยขึ้นมาอีกอก็เลยพ้นจากความทุกข์เมื่อไหร่ใจเราวางความยึดถือจิตได้นะเราจะพ้นจากความทุกข์ตอนนี้ยังไม่ต้องวางความยึดถือจิตนะ มาเรียนกับหลวงพ่อขั้นแรกให้เห็นก่อนว่าจิตใจมันเป็นไงจิตใจมันไปยึดอะไรเราเห็นจิตใจมันยึดโน่นยึดนี่บางวันมันยึดมากบางวันมันก็ปล่อยออกมาเดี๋ยวก็กลับไปยึดอีกเริ่งต้นเห็นอย่างนี้ไปก่อนต่อมาก็เห็นเลยว่าทันทีที่ตื่นนอนนะมีมือลึกลับอันหนึ่งไปหยิบจิตขึ้นมานี่ไปหยิบเวยจิตขึ้นมานี่แอบไปยึดจิตไปแล้วมองไม่เห็นหรอกต้องฝึกกันนานนะฝึกกันแหลมเดือนแหลมปี ถึงจะเห็นามันมีมือลึกลับไปหยิบช่วยจิตขึ้นมาหยิบขึ้นมาแล้วมาดูนะพิจารณาอย่างนั้นหาทางพ้นทุกข์นะไม่พ้นหรอกบางครั้งวางได้บางครั้งบางคราวเดี๋ยวก็หยิบขึ้นมาใหม่ตอนที่ภาวนามาถึงจุดนี้นะัมันไม่เข้าใจว่าทำไมมันวางได้ทำไมมันไปหยิบอีกเมื่อไรมันจะเลิกหยิบเมื่อไรมันจะเลิกยึดถือจิตนะครูบาอาจารย์ก็เชียร์โอ้ไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไร ทิ้งมันไปเลยนะก็เรารู้สึกมันมีอะไรอะ่นะนหลวง ป, ปู่สุวัตถึงออกปากยาสงสัยเลยอยสงสัยเลยก็สงสัยอะนะถ้ามันได้อย่างใจอาจารย์สั่งเราก็สบายไปนานแล้วสิใช่ไหมนะงี้ยหลวงพ่อก็บอกอา้าวทุกคนหลุดพ้นซะนะนะมันไม่ได้อย่างใจหรอกนะโอ้มันพลิกไปพลิกมานะค้นคว้าพาาิจารณา สติปัญญานะหมุนจีจีจี๋ยค้นคว้าอยู่ในจิตในใจดวงนี้แหละมันจะรู้สึกว่ามันไม่รู้อะไรอย่างหนึง่งจะขาดตลอดเวลาไม่แจ้งอะไรสักอย่างหนึ่งแล้ววางไม่ได้แต่ไม่รู้นะว่าไม่แจ้งอะไรวันที่มันแจ้งมันแจ้งอริยสัจนั่นเองเข้าใจอริยสัจแจมแจ้งขึ้นมาขันนี้ทุกข์ร้อนๆนะจิตนี้เป็นตัวทุกข์นะแต่เดิมคิดว่าทาไงจิตจะมีความสุข จิตจะสุขถาวรนะคิดอยู่อย่างเงี้ยอุสาฏหธรรมปฏิบัติอย่างโน้นอย่างนี้เพื่อให้มันจิตมีความสุขถาวรแล้วมันก็ไม่สุขนะสุขบ้างทุกบ้างสุกสุ ข, ส ข, สขดิบดิบอยู่นั่นแหละครูบาอาจารย์เชียร์วางไปวางไปทิ้งไปเลยแค่นี้แหละอย่าสงสัยเลยนะก็สงสัยอ่นะก็จะต้องพิจารณานะอ๋อพอมันแจ้งไกรลักษ์เห็นจิตไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตานะ เห็นอย่างนี้แล้วยังลึกซึ้งลงไปอีกเห็นทุกขสัตว์เห็นทุกขสัตว์จิตนี้เป็นทุกข์ล้วนๆนะเป็นทุกข์โดยตัวของมันเองไม่ใช่เป็นทุกข์เพราะทนไม่ได้นะทุกข์เพราะทนไม่ได้เนี่คือทุกข์ทุกขลักษณะทุกขสัตว์เนี่ยมันเป็นทุกข์จริงๆนะเป็นทุกข์อีกชนิดหนึ่งไม่ใช่ทุกขเวทนานีทุกขเวทนามเป็นสิ่งที่แฝงเข้ามาในกายในจิตอย่างเรานั่งอยู่แล้วความเมื่อยแฝงเข้ามาเนี่ยมันแฝงเข้ามาหรือใจเรามีความ ทุกแทรกเข้ามานเราเห็นแล้วมันเป็นของแปลกปลอมนะแต่ตรงทุกขสัตว์เนี่ยเราเห็นว่าตัวขันนั่นแหละตัวทุก์หมามันพูดไม่ออกเลยขันเป็นทุกข์ล้วนๆมันถึงจะยอมวาง เ, าเห็นกายเป็นทุกข์ล้วนๆก็วางกายเห็นจิตเป็นทุกข์ล้วนๆถึงจะวางจิตพอวางแล้วคราวนี้มันแจ่มแจ้งในธรรมะขึ้นมาทุกอย่างว่างนะความว่างหรือมหาสุญญตาหนิพพานเนี่ยมันอยู่เต็มหน้าเต็มตาเราเนี่เองเราเที่ยวไปหาทั้งไกลนะี่ ก่อนหลวงพ่อไปหาถึงภาคอีสานนะครูบาอาจารย์อยู่อีสานนี่นล้วก็ไปพวกเราตอนนี้มาหาถึงศรีราชาไ ม, ไม่ฉลาดหรอกนะฉลาดอย่านึกว่าฉลาดหาเข้ามานะดูเข้ามาในใจเรานี้วางตรงนี้ปั๊บเนี่ยอยู่ต่อหน้าเลยแล้วทนนี้นะจะมีชีวิตที่อาศาัศจรรย์ที่สุดเลยมีชีวิตแบบความทุกข์เข้ามาไม่ถึงจิต ความทุกข์มีอยู่นะแต่เข้ามาไม่ถึงจิตกิเลสตัณหาทั้งหลายเนี่ยไม่สามารถปรุงแต่งจิตได้มันคล้ายๆจิตเนี่ยว่างเปล่าไม่มีอะไรที่จะเป็นที่หมายที่ททเกาะได้เลยมันเหมือนแสงอาทิตย์ผ่านไปในอาวากาศเนี่ยมันไม่ทําให้อาวากาศเต็มไม่ทําให้อาวากาศร้อนมันผ่านไปเฉยๆนั่นธรรมะอัศจรรย์มากนะ ครูบาอาจารย์ท่านเล่าให้ฟังว่าโอ้ไปเห็นนะน้ําตาตกเลยด่าตัวเองทําไมมันโง่แท้เน ะ, นะมันง่ายแค่นี้เองเที่ยวค้นคว้าเที่ยวดิ้นรนแท้เป็นแทบตายนะวันที่หยุดดิ้นนะ่ะเข้าใจเลยแต่หยุดดิ้นได้เพราะปัญญานะไม่ใช่เพราะน้อมใจให้หยุดห้ามน้อมใจให้หยุดนะ่ะยกเว้นแต่ต้องการทําสมถะเพื่อพักผ่อนเป็นครั้งเป็นกลาวน้อมใจเข้าหาความสงบ ถ้าจิตใจมีกําลังแล้วสดชื่นเบิกบานแล้วเนี่ยอย่าน้อมอยู่กับความสงบให้ออกมารู้กายให้ออกมารู้ใจนะร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกไว้จิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกไว้ถึงจุดหนึ่งเราจะเห็นร่างกายที่เคลื่อนไหวไม่ใช่ตัวเราหรอกมันเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุที่ขยับเขยื่อนเคลื่อนไหวอยู่ทําไมมันต้องขยับเคยือนเคลื่อนไหวเพราะมันถูกความทุกข์บีบคั้นอย่างมันนั่งอยู่เฉยเฉยเดี๋ยวมันเมื่อยนะมันก็ต้องขยับมันนอนมันต้องพลิกซ้ายพลิกขวาเพราะมันเมื่อย ความทุกข์มันบีบคั้นมันต้องขยับมันต้องหายใจเข้าหายใจออกนะเพราะมันทุกข์นะเราไม่หายใจแล้วมันทุกข์เราต้องหายใจเข้ามาหายใจเข้าแหมมีความสุขนะหายใจมีความสุขแป๊บเดียวทุกข์อีกแล้วนะหายใจเข้าไปเรื่อยๆมีความทุกข์ต้องหายใจออกแก้ทุกข์อีกแล้วเนี่ยจะเปลี่ยนอิริยาบถหรือจะหายใจหรือจะกินอาหารหรือจะขับถ่ายอะไรเนี่ยเป็นเรื่องเพื่อจะแก้ทุกข์ทั้งนั้นเลย้ร่างกายนี้เต็มไปด้วยความทุกข์ต้องเห็นนะไม่ใช่คิดเอานะ ต้องรู้สึกเอาต้องรู้สึกเอาไม่ใช่ไปเห็นเห็นนึกนึ ก, นกคิดคิดเอานะแค่นั้นไม่พอคิดเอาไม่ได้รู้ด้วยความรู้สึกพอรู้แจ้งในกายรู้แจ้งในใจก็วางวางแล้วก็พ้นทุกข์เราถึงจะรู้เลยทําไมท่านว่าขันห้าเป็นทุกข์ก็ขันห้าเป็นทุกข์กสิท่านถึงบอกว่าขันห้าเป็นทุกข์ธรรมะมันตรงไปตรงมาอย่างนี้นะท่านบอกตรงๆนะแต่เราคิดไม่ออกหรอก เขาขันห้ามันทุกนะพอวางขันห้าได้ถึงเรียกว่าพ้นทุกไม่ใช่ดับทุกนะต้องใช้คําให้ถูกนะมันพ้นจากความทุกนะเพราะอะไรเพราะขันยังอยู่แต่ใจนี่มันพลาดออกจากขันใจมันเลยไม่ทุกต่อวันใดสิ้นขันนะเรถึงจะเรียกว่าสิ้นทุกดับทุกจริงๆขันนี้ก็เอาไปให้คนอื่นใช้ต่อร่างกายเนี้ยสมมติว่าทอตายไปนะ เอาไปฝังไปเผาอะไรเงี้ยต้นหมากรากไม้มาเอาไปกินต่อเดี๋ยวคนก็ไปกินกลับมาอีกนะเพราะฉะนั้นร่างกายเราเนี่ยประกอบด้วยศพของผู้อื่นจำนวนมากใครรู้สึกไปเรื่อยรู้สึกในกายรู้สึกในใจอย่าลืมกายลืมใจเนะมื่อไรลืมกายลืมใจเรียประมาทเมื่อไรรู้สึกกายรู้สึกใจเรียกว่ามีความเพียรไม่ใช่คิดเรื่องกายเรื่องใจนะคิดเรื่องกายเรื่องใจเป็นสมถะ อย่างบางทีพระหนุ่มเนรน้อยครูบาอาจารย์ก็สั่งให้ทำความสงบเข้ามาแล้วให้คิดพิจารณากายนะาะอะไรใจมันชอบคิดเนี่ยนะถ้าไม่กำหนดหัวข้อให้คิดนะันมันจะไปคิดเรื่องสาวนะคิดพิจารณากายเหมือนกันแต่กายสาวเนี๋ยวอยู่ไม่ไหวท่านก็บอกให้พิจารณากายของตัวเองบอกวิธีด้วยบอกมุมมองด้วยดูนะว่ามันไม่สวยไม่งามนะ มันไม่สาดนะไม่ใช่ดูอู้หล่อจังเลยวิเศษจังเลยงั้นไปใช้ความหล่อนะสึกออกไปอีกละ ง, งั้นการที่เราครูบาอาจารย์สอนพิจารณาการเนี่ยมันเป็นอุบายเป็นวิธีเป็นแท็ติกเป็นกลยุทธ์ในการข่มราคางั้นพระหนุ่มเนรน้อยครูบาอาจารย์ชอบให้ทําความสงบมานี่พอทําความสงบจริงๆเนี่ยจะขี้เกียจขีค้คลานมันจะสงบลูกเดียวเลยไม่ยอมคิดอะไร ครูบาอาจารย์ก็ออกอุบายให้มันคิดซะหาเรื่องให้มันคิดคิดเรื่องที่ปลอดภัยที่สุดคือคิดพิจารณากายตัวเองแม้ครูบาอาจารย์วัดป่าจะชอบให้พิจารณาร่างกายเป็นปฏิกูลเป็นอาสุภาษนะเบื้องต้นพิจารณาเป็นปฏิกูลอาสุภาษะต่อมาพิจารณาลงเป็นาธาตุเป็นขันไม่มีปฏิกรูแ ล, ล้วแต่ว่ามันเป็นวัตถุนี่ดินน้ำไฟลมมันสกปรกที่ไหนละ่ะสกปรกไม่มีจริงใช่ไหมต่อมาเห็นมันว่างเปล่าจากความเป็นคนเป็นสัตว์ พินากายพิน า, าเป็นชั้นชั้นชั้นไปเสร็จแล้วก็ใจก็สงบแต่ไม่สงบซื่อบือ้อถ้าทำสมาธิเฉยๆเช่ น, นหายใจไปเรื่อยๆนะมักจะเคลิมเลิมซื่อบื้ออยู่อย่างนะั้นติดครูบาอาจารย์ให้มีอุบายให้ออกมาคิดเรื่องกายคิดคิดคิ ด, คดไปพอหมดเวลาฟุตโธพินากายแล้วหมดเวลาแล้วยืนเดินนั่งนอนต้องรู้สึกตัวแล้วคราวนี้มีสติในชีวิตประจวัน งั้นพวกเราถึงจะเป็นคารวาสเราก็ต้องควรทำทำอย่างนี้เหมือนกันทุกวันอย่าลืมไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมนะเป็นเรื่องมีประโยชน์มากการปฏิบัติในรูปแบบมีความจำเป็นฉะลาสำหรับมือใหม่หัดขับทั้งหลายต้องต้องทำตามขั้นตอนของมันนะแต่พอชำนิชำนาญแล้วไม่จำเป็นกระดุกกระดิกอยู่มันก็รู้สึกอยู่ตลอดวันตลอดคืนนะนอนหลับอยู่พลิกซ้ายพลิกขวาก็รู้นะไม่ใช่ไม่รู้ การทําในรูปแบบเนี่เป็นเครื่องอาศัยทุกวันไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิเดินจงกรมเคยพุโทโธก็พุโทโธเคยหายใจเข้าหายใจออกก็าหายใจไม่หยุดหายใจนะหายใจไปเรื่อยๆพยายามหายใจไว้นะเคยรู้ท้องฟองยุบก็รู้ไปนะอย่าให้ท้องมันนิ่งๆไม่ฟองไม่ยุบนะเดี๋ยวตายไม่รู้ด้วยนะให้รู้อารมณ์กรรมฐานที่เคยทํานั่นแหละนะแต่ไม่ใช่รู้เพื่อให้ซึมๆมซื่อบือ้อส่วนใหญ่ชอบรู้ให้ซื่อบื้อนะ ใช้ไม่ได้หรอกอย่างเราพุทโธพุทโธเนี่ยให้เราคอยรู้ทันใจของเราไว้พุทโธพุทโธใจแอบไปคิดรู้ทันเลยพุทโธแล้วจิตใจสงบก็รู้จิตใจฟุ้งซ่านรู้จิตเป็นสุขเป็นทุกข์ก็คอยรู้หากหายใจก็เหมือนกันจิตแอบไปคิดก็รู้จิตไหลเข้าไปเพ่งนิ่งๆแช่ยอยู่กับลมหายใจก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้สงบก็รู้นะมีปีติมีสุขก็รู้รู้ไปเรื่อยๆรู้ทันจิตนะไม่ใช่รู้ลมหายใจนะ เอาลมหายใจเป็นแค่เป็นฐานเท่านะั้นถ้าเทียบกับทางดนตรีลมหายใจเหมือนรีเทิรเมก็เรียกอะไรจังหวะจังหวะเป็นอะไรนะนี่พวกแกรมมี่อ้าวว่าไงเรียกอะไระยิ่งยิ่งเวียนหัวหนักเขาอีกเทมโป <laughs> งั้นไม่ต้องพูดก็ได้ <laughs> <laughs> ปางแล้วเวียนหัวมากกว่าเก่าอีกคือ <laughs> มันเป็นจังหวะอยู่ <laughs> เพื่อว่าไม่ให้เราเผลอยาว อย่างเราพุทโธพุทโธอยู่นี่นะอใจเราไหลไปคิดมันเลิกพุทธโธพอพุทโธหายไปเราก็รู้สึกอุ้ยพุทธโธหายไปละหลงไปละก็รู้สึกขึ้นมามาพุทโธอีกนะแต่บางคนพอพุทโธนานๆชํานาญนะหลงไปพุทโธไปได้ด้วยเนีอย่างนี้ต้องคอยระวังเหมือนกันหายใจเข้าพูดออกโทนัคิดไปได้ร้อยเรื่องนะแล้วก็พอลงจังหวะก็ค่อยมาพูดค่อยมาโทอีกทีหนึ่งนะพวกนี้เจ้าเล่ยนะเจ้าเล่ยหลวงพ่อก็เคยเป็นชํานาญนะ ทั้งวันทั้งคืนนะั้นมันทำมันได้นะไม่มีผิดเลยนะของหลวงพ่อนับพุทโธหายใจเข้าพุทออกโทนับหนึ่งนะนับถึงร้อยไม่มีผิดนะเดี๋ยวร้อยแล้วก็เริ่มนับใหม่เนี่ย แ, แอบไปทําอย่างอื่นนะั้นมันนับต่อให้เรียบร้อยเลยนะมันดูรึตอนนี้เท่าไหร่ละนี่โอ้จิตใจนี่นะั้มันพิลึกพิลั่นนี่เราทํากรรมฐานนะดูท้องพองยุบก็ได้ใจแอบไปคิดก็รู้ใจไปเพ่งท้องก็รู้ใจเป็นสุขเป็นทุกข์ก็รู้ เราเอาอารมณ์กรรมฐานเนี่ยเหมือนเป็นแบ็กกราวไว้ท่านะแล้วจิตใจของเราเนี่ยเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงถ้าเป็นดนตรีมันเหมือนเป็นเมโลตัวเมโลดี้มันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเราคอยตามรู้ตอนนี้เป็นเพลงเศร้าแล้ตอนนี้เป็นเพลงรักเนี่ยคอยดูอยู่ในใจเราเนี่ยแต่เราก็แสดงบทบาทแสดงอารมณ์ต่างๆคอยรู้ความเปลี่ยนแปลงไปเรืยถึงจุดหนึ่งก็จะเห็นเลยว่าจิตใจนี้ทำงานทั้งวันทั้งคืนนะเห็นเองแหละ เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายมันเห็นเองสามารถเจริญสติในชีวิตประจําวันได้เงี้ยเบื้องต้นก่อนนอนไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมไปเดินจงกรมไปใจลอยแว บ, บไปรู้ว่าใจลอยเดินจงกรมแล้วใจไหลไปเพ่งเท้ารู้ว่าไปเพ่งเท้าเดินแล้วเพ่งทั้งตัวเลยรู้ว่าเพ่งทั้งตัวบางคนเพ่งทั้งตัวนะแล้วก็ยังนึกว่ารู้ตัวทั่วพร้อมได้มาบอกหลวงพ่อ ขณะนี้ได้เจริญอิอทธิบาทสี่แบบรู้ตัวทั่วพร้อมนี่รู้ตัวทั่วพร้อมหมดเลยนะเนี่ยกระดูกกระดิกรู้หมดเลยนะคล้ายๆอามนุษย์แล้วนะ <c oughs> คือไม่ใช่คนปกตินะรู้ตัวทั่วพร้อมจริงๆก็คือไม่เผลอ น, ะนั่นเองไม่เผลอร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตเคลื่อนไหวรู้สึกแค่นั่นแหละรู้ตัวทั่วพร้อมไม่ใช่รู้ทั้งตัวนะ รู้ตัวทั่วพร้อมก็ตรงข้ามกับเผลอไปแล้วก็ไม่ได้เพ่งเพ่งมันไม่ใช่การรู้ตัวทั่วพร้อมค่อยๆฝึกค่อยๆดูทุกวันทุกวันทำในรูปแบบ5นาทีสิบนาทีก็ยังดีแต่ต้องทำแนะนำนะตั้งสัจจิ ก, กับตัวเองเลยทุกวันต้องไหว้พระสวดมนต์ให้ได้ครั้งหนึ่งอย่างน้อยนั่งสมาธิสัก5นาทีอะไรเงี้ย มีที่เดินก็เดิน5นาที10นาทีตั้งใจไว้เงี้แต่ทําเกินนั้นไม่เป็นไรนะอย่าทําขาดถ้าทําขาดแล้วจิตใจจะท้อแท้อ่อนแอลงไปเรื่อยๆมันคือการฝึกซ้อมนั่นเองนั่งจะนั่งสมาธิเดินจงกรมมนไหนจิตใจฟุ้งซ่านก็ทําไปเพื่อให้สงบวิธีเคล็ดลับให้สงบก็คือทําให้สบายเช่นเราฟุ้งซ่านมากเราก็มารู้ลมหายใจรู้อย่างสบายนะแบบผ่อนคลายหายใจออกก่อนหายใจออกก่อนมันจะรู้สึกผ่อนคลาย แล้วก็หายใจเข้ามาอย่างสบายๆอย่าไปคิดว่าทํำยังไงจิตจะสงบทําให้สบายแล้วเขาสงบเองนี่เป็นเคล็ดลับนะกว่าจะได้เคล็ดลับนี้เหนื่อยแทบตายเลยนะให้แจกให้ฟรีๆนะไม่คิดค่าลิขสิทธิ์แต่อย่าเอาไปจดทะเบียนนะบอกว่าตัวเองคิดเองนะ <c oughs> เดี๋ยวบอกหลวงพ่อสอนไม่ได้แล้วนะอย่าเก็บค่าลิขสิทธินะ์หายใจอย่างสบายแล้วก็ใจมันจะค่อยๆสงบ <c oughs> ถ้าวันไหนใจฟุ้งซ่านก็ทําเพื่อสงบเพื <c oughs> ่อพักผ่อน วันไหนจิตใจสบายแล้วเนี่ทยทาเพื่อหัดดูสภาวะพุทโธหายใจรู้ๆท้องผองยุบเพื่อหัดดูสภาวะจิตแอบไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งก็รู้จิตเป็นสุขก็รู้จิตเป็นทุกข์ก็รู้หัดรู้บ่อยๆจนจิตจําสภาวะได้แม่นความสุขเป็นอย่างนี้ความทุกข์เป็นอย่างนี้จิตเผลอเป็นอย่างนี้จิตเพ่งเป็นอย่างนี้พอนะรู้แล้วเนี่ยต่อไปพอสภาวะอะไรเกิดขึ้นสติจะเกิดเองเนะช่นใจลอยแวบสติจะรู้สึกเองเลยว่าใจลอยไปแล้ว สติเกิดด้วยวิธีนี้นะสติไม่ได้เกิดจากการบังคับให้เกิดหลาคนพยายามบังคับให้สติเกิดสติเป็นอนัตตาไม่มีใครบังคับได้นะสติต้องมีเหตุสติถึงจะเกิดเหตุให้เกิดสติคือการที่จิตจําสภาวะได้แม่นยําภาษาบาลีเรียกว่าธีรัสัญญาธีรัสัญญาจิตมันจําสภาวะได้แม่นมันจะจําสภาวะได้แม่นถ้ามันเห็นสภาวะบ่อยๆนะเพราะงั้นทุกวันเราต้องซ้อมดูสภาวะ พุโทโธพุโทโธไปหรือนะหายใจไปดูท้องพองยุกไปอะไรก็ได้ขยับมืออย่างหลวงพ่อเทียนก็ได้นะใจลอยไปก็รู้ใจเข้าไปเพ่งก็รู้ใจเป็นสุขเป็นทุกข์เกิดกุศลเกิดอกุศลอะไรหัดรู้จักสภาวะแต่ละอย่างไปเรื่อยๆต่อไปสติจะเกิดในชีวิตประจําวันนะฟังเหมือนยากนะลองไปทําดูนะไม่ยากหรอกตอนนี้คนที่ทําได้ไปเป็นพันแล้ะมงนะลูกศิษย์วัดนี้ตื่นขึ้นมานี่นับไม่ถูกละเยอะแยะ เคยมีคนไปหาครูบาอาจารย์ไปไม่ได้นัดกันนะไปหลายคนอะไปเจอกันที่วัดท่านแล้วก็ไปบอกท่านว่ชั้นเรียนมาจากหลวงพ่อประโมทบอกไม่ต้องบอกหรอกรู้พวกที่เรียนอย่างเนี้ยใจมันสว่างใจมันตื่นใจมันสว่างใจมันสงบใจมันสะอาดขึ้นมารู้ตื่นเบิกบานขึ้นมาไม่ได้ภาวนาแล้วเคริ้มเคลิ ม, ลมหรือเครียดเครียดนะ ใจที่เคลิมเคลิ้มใจที่คลิดเคลียนอกุศลและจิตชัดๆเลยนะจิตที่เป็นกุศลต้องรู้ตื่นเบิกบานสงบสะาสว่างอ่ อ, อนโยนนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวนะเบาสบายนั้นถ้าสติเกิดแล้วจิตเราจะเป็นกุศลเนี่ยจิตจะเบาจิตจะสบายจิตจะรู้ตื่นเบิกบานนะแค่สติมันเกิดขึ้นเองนะจิตที่เป็นกุศลมันจะเกิดเองเลยอย่างเราใจลอยอยู่พอรู้ว่าใจลอยสติเระลึกได้ว่าใจลอยปั๊บนะ จิตใจเบิกบานขึ้นมาเลยนะมีความสุขชลยแผ่ๆขึ้นมามีความสุขบางทีก็เป็นอุเบกขารู้ตัวแต่ว่านุ่มนวล น, นะไม่ใช่อุเบกขาแบบอย่างนี้นะอย่างนั้นไม่ใช่ต้องสบายๆใจตื่นใจตื่นขึ้นมาพรอใจเราตื่นเนี่ยใจเราหลุดออกจากโลกของความคิดได้เราจะอยู่ในโลกของความจริงมันจะเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงคือกายมันเป็นวัตถุธาตุเท่านั้นเอง จิตใจก็เป็นนามนธรรมเป็นนามธาตุนะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปบังคับไม่ได้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์บังคับไม่ได้เนี่เห็นความจริงไปเรื่อยๆ เ, เดี๋ยววันหนึ่งก็แจ่มแจ้งแล้วก็ปล่อยวางได้นี่ตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะหลวงพ่อเทศเห็นไหมเริ่มตั้งแต่สตาร์ทหัดดูสภาวะอันแรกหัดดูสภาวะไม่พร่าสวดมวนต์ทำกรรมฐานอะไรก็ได้เป็นจุดตั้งต้นซะกอ่อนแล้วก็หัดดูสภาวะของจิตใจไป จิตใจในขณะที่ทำกรรมฐานนี้ก็เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอย่าไปบังคับให้มันนิ่งก็แล้วกันแต่เกือบทั้งหมดมชอบทํากรรมฐานแล้วไปบังคับให้จิตนิ่งไม่เห็นอะไรหรอกก็เห็นแต่ความนิ่งติดแต่ความสุขความสบายไปแต่ถ้าทํากรรมฐานขึ้นนานหนึ่งแล้วก็ปล่อยให้ใจมันเคลื่อนไหวไปนะตามรู้ตามดูมันไปเรื่อยๆมันจะรู้จักเลยอ๋อเผลอเป็นอย่างนี้เพ่งเป็นอย่างนี้สุขเป็นอย่างนี้ทุกข์เป็นอย่างนี้โลภโกรธหลงเป็นอย่างนี้ๆแจิตมันจําได้แม่นแล้วสติจะเกิดเอง ภาสติเกิดเองเนี่ยใจจะเป็นบุญเป็นกุศลขึ้นมานะจิตใจที่เป็นบุญเป็นกุศลมีความสุขจิตใจที่มีความสุขจะเกิดสมาธิขึ้นมาจิตใจจะตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ลงไปไหนหรอกรู้สึกตัวอยู่ตั้งมั่นอยู่สมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาคือพอใจตั้งมั่นขึ้นมาเลยเห็นกายนี้มันไม่ใช่เรานะเป็นวัตถุเห็นจิตนี้มันไม่เที่ยงมันไม่ใช่เราบังคับมันไม่ได้เห็นตามความเป็นจริงเรียกว่ามีปัญญาพอมีปัญญาแจ่มแจ้งในกายในใจแล้ววิมุต ก็จะเกิดขึ้นชื่อจะปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจได้นะเสร็จแล้วก็จะเกิดวิมุตยานทัศนะรู้แจ้งเกิดความรู้ความเข้าใจในความหลุดพ้นจะเห็นนิพพานเนี้เต็มบริบูรณ์อยู่ต่อหน้าต่ ต, ตาเลยมีแต่ความสุขล้วนๆเลยขาวนี้นะความทุกข์มันเข้ามาไม่ถึงจิตใจอีกต่อไปแล้วความทุกข์มันอยู่ที่ขันเท่านั้นอยู่ที่ขันเราพ้นออกจากขันก็ไม่ทุกข์ น, ะนี่ตั้งแต่ต้นจนจบนะพูดในหนาทีก็ได้นะอื ตั้งแต่หัดฝึกดูสภาวะนะต่อไป น, นี้ก็เป็นหน้าที่ต้องไปฝึกเอาเองหลวงพ่อพูดให้ฟังเนี่ยเยอะแล้วนะหลายคนยังต้องอยากให้พูดเยอะๆกว่านี้อีกะจริงๆที่พูดให้ฟังเนี่ยเยอะมากแล้วสมัยที่หลวงพ่อเรียนจากครูบาอาจารย์ท่านพูดสั้นนิดเดียวเลยนะไปหาหลวงปู่ดูไปถามท่านครั้งแรกหลวงปู่ผมอยากปฏิบัติหลับตาไปชั่วโมงเกือบชั่วโมงอ่ะเลื่มตาขึ้นมานะ การปฏิบัติไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองจบละไม่บอกอะไรเลยนะจิตอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปอ่านก็ไม่รู้อ่านยังไงก็ไม่รู้ไม่บอกเลยนะไม่มีบอกอะไปหาท่านครั้งที่สองนะไปรายงานการปฏิบัติท่านบอกที่ทําอยู่ไม่ถูกหรอกมัวแต่ไปดูอาการของจิตยังดูไม่ถึงจิตไปไปทําใหม่นียไม่ได้บอกอะไรเลยนะบอกอันเดียวว่าไปทำมาใหม่ เราก็ต้องไปดูนะที่เราทำอะไรผิดอยู่ทำไมอาจารย์บอกว่าผิดเนี่ยมาไปหาท่านครั้งที่สามอันนี้ไม่ผิดละวบอกพึ่งตัวเองได้ละใช้ได้ละไม่ต้องมาหาท่านก็ได้ดูยัไม่ได้สอนอะไรเราเลยนะไล่ลนะครูบาอาจารย์แต่ก่อนสอนน้อยนะสอนน้อยใจถึงถึงอ่ะ ตามรู้ตามดูลงมาในกายในใจบางองค์ก็ขยายหน่อยที่อย่างหลวปู่ทานะเขบอกมีสติรักษาจิตอย่างเงี้ยมีสติคอรู้ทันจิตเราอยู่นี่แหละมันก่อนมีพระมาจากท่านอาจารย์แบนมีพระมาบอกว่าตอนแรกผมไปเข้าสํานักท่านนะกลัวท่านด่านะเพราะผมไม่ได้พิจารณากายเนี่ยเราดูจิตอไปอยู่กับท่านท่านสอนแต่ดูจิตฮะอย่าี้ ด้อยู่สบายไม่ว่าอะไรครูบาอาจารย์พอแก่ๆขึ้นนะจะบีบการสอนลงมาเหลือที่จิตนี่เองหลวงปู่เทศตอนหนุ่มๆ น, นะก็สอนกายยังง้นกายอย่างนี้นะสอนอย่างนั้นแหละพออายุมากเข้าสอนอยู่นิดเดียวสอนอยู่สองเรื่องเองสี่หัวข้อสองเรื่องหัวข้อที่หนึ่งสอนเรื่องจิตกระใจสอนเรื่องจิตกระใจ อันที่สองเรื่องฌานกับสมาธิสอนแค่นี้เองพูดกี่วันกี่วันสอนแค่นี้แหละแล้ววิธีสอนของท่านนะฟังแล้วซาบซึ้งดีนะจิตอันใดใจอันนั้นแหละ <c oughs> จิตอันใดใจอันนั้นเออฟังเราก็ตั้งใจจิตอันใดใจอันนั้นนะแต่จิตเนี่ยเป็นผู้รู้สึกนึกคิดนะใจเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน ถ้าเมื่อไรเรามีสติขึ้นมามันก็เป็นใจเมื่อไรขาดสติมันก็เป็นจิตไปไปทําเอาไม่ได้บอกอะไรมากกว่านี้นะก็คือเรา ม, มาหัดสังเกตเนี่ยเดี๋ยวจิตเราก็รู้สึกตัวขึ้นมาเป็นผู้รู้ใช่มเดี๋ยวจิตเราก็หลงเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งเราก็จะรู้จักจิตสองชนิดนั่นเองในจิตที่เผลอไปกับจิตที่รู้สึกตัวนั่นเองเนี่ยจริงๆเรียนแค่เนี้ยพอแล้วไม่ต้องเรียนเยอะกว่านี้หรอกอีกอันท่านสอนเรื่องฌานกับสมาธิท่านสอนพระเยอะด้วย ถ้าส่วนมากติดการเพ่งท่านใช้คําว่าฌานเพ่งเอาสมาธิก็คือจิตที่เป็นสัมมาสมาธินั่นเองเนี่ยสอนให้ดูสองอันนึงสอนให้ดูจิตที่มันเผลอไปกับจิตที่รู้สึกขึ้นมาสอนให้รู้จักจิตที่เพ่งกับจิตที่รู้สอนให้แยกรวมความแล้วก็คือให้รู้จักการเผลอไปรู้จักการเพ่งรู้จักความรู้สึกตัวเนี่ยพอครูบาอาจารย์แก่ๆแล้วสอนเหลือ น, นิดเดียว หลวงพ่อเวลาไปเรียนเรียนจากอาจารย์แก่ๆนะต้องเลือกที่แก่ไว้ก่อนนะสมัยโน้นไปหาแต่ละองค์แต่ละองค์นะอายุมากหลวงปู่ดูลตอนไปหาท่าน9ก้าส้าแล้วนะเก้าสิบ้เรยอยู่กับท่านปีกว่าๆเองนะเจอท่าน6ครั้งเองนะไม่ใช่เจอเยอ ะ, จะเจอครั้งที่สท่านบอกไม่ต้องมาล้นะช่วยตัวเองไ ป, ไปหาหลวงปู่เทศบ่อยหน่อยบ่อน่อยหม่ถึงปีละครั้งนะแต่อยู่ได้นานท่านอายุยืน แล้วก็เรียนจากหลวงปู่สิมอะไรเงี้ยอายุเยอะๆที่เด็กหน่อยมีหลวงพ่อพุธนี่แหละอายุน้อยหน่อยตอนเริ่มเข้าวัดจริงๆท่าอาจารย์มหาบัว ย, ยังไม่หกสิบเลยตอนนั้นไม่ไปหาท่านนะะท่านนั่งหนุ่มอยู่เอาไว้เรียนจากอาจารย์แก่ๆก่อนเดี๋ยวอาจารย์แก่ๆตายไปก่อน <c oughs> คิดอย่างนี้นะแล้วเลือกด้วยนะหลวงพ่อชาก็ยังอยู่นะหลวงพ่อชาดังมากเลยหลวงปู่ขาวยังอยู่ดังมากเลยแต่ไม่ไปหาท่าน เพราะว่าถ้าไปหาท่านเนี่ยท่านสอนไม่ได้หลวงพรอชาท่านก็นอนหลวงปู่ขาวก็นอนพูดไม่ได้ละตอนนั้นเป็นข้าราชการนะเหมือนแจ็คอย่างเงี้ยข้าราชการวันลาก็น้อยเงินเดือนก็ไม่เยอะไม่อยากบอกว่าเงินเดือนน้อยนะความจริงก็เรียกพวกนิวพัวพวกยากจนงนะั้นเรามีทรัพยากรจํากัดเราต้องเลือกไปหาอาจารย์ที่เกิดประโยชน์มากที่สุดเลยอาจารย์ที่สอนได้จริงๆอย่างหลวงปู่แหวนนี่ไม่ไป เรู้ว่าไปก็เข้าไม่ถึงหลวงปู่ขาวไม่ไปท่านนอนอยู่ในห้องกระจกหลวงพระชาท่านก็พูดไม่ได้อะไรเงี้ยไม่ไปจะต้องเลือกอาจารย์ที่ท่านสอนได้แต่ว่าส่วนมากก็ต้องเลือกอีกนะจัด priority เอาแก่ๆก่อนอาจารย์อายุน้อยเดี๋ยวค่อยเรียนทีหลังนะเรียนแต่ปรากฏว่าไปเรียนจากครูบาอาจารย์เยอะแยะนะสิ่งที่ท่านสอนเป็นอันเดียวกันทั้งหมดเลย หัวใจของการปฏิบัติจริงๆคือความมีสติรู้กายรู้ใจนีง่งอาจารยมหาบัวถึงสอนเลยนะมีสติรู้กายรู้ใจลงเป็นปัจจุบันสอนแค่เนี้ยไปเรียนกับท่านนะไปถามกรรมฐา น, ท, านท่านท่านสอนให้แค่นิง่งแค่นี้พอแล้วแค่นี้ก็พอละที่ได้จากท่านอาจารย์มหาบัวอีกเรื่องตอนนั้นโลวงปู่ดูลไม่อยูแ่แล้วก็ดูจิตของเราเรื่อยนะมันก็พัฒนามาเรื่อยแล้วมันไม่ติดขัดอยู่มีอยู่ช่วงเหนือหลายปีเลย มันเฉยๆดูไปแล้วมันก็ว่างๆเฉยๆตลอดเลยเฮ้เราก็ว่าเราก็ดูจิตอยู่นะไปถามครูบาอาจารย์แต่ละองค์ท่านก็บอกว่าไม่มีอะไรมากกว่านี้หรอกวันนั้นสงสัยมากเลยขึ้นไปบ้านตาดท่าอาจารย์มหาบววท่านยังเทศอยู่ข้างบนสาราไม้ชั้นบนอย่างฉันข้างบนตอนแจกอาหารอะไรนี่คลานเข้าไปหาท่านท่านอาจารย์ผมขอโอกาสถามเลยขอโอกาสถามนะทเนียมวัด ท่านบอกว่าเอาไว้ก่อนยังไม่ว่างแล้วคุยโน่นคุยนี่นะทําอะไรต่ออะไรเสร็จแล้วท่านก็หันกลับมาว่าไงบอกเนี่ยผมดูจิตอยู่นะครูบ า, าอาจารย์แต่ละองค์แต่ละองค์ก็บอกว่ามันไม่มีอะไรมากกว่าเนี้ยให้ดูจิตอย่างเงี้ยดูเข้าไปเหอะเนี่ยแต่ผมรู้สึกมันติดขัดอยู่นะมันไปไหนไม่ได้ท่านก็บอกนะบอกว่าที่ว่าดูจิตนะมันไม่ถึงหรอกดูไม่ถึงหรอก ต้องเชื่อเรานะเราผ่านมาด้วยตัวของเราเองไม่มีอะไรดีเท่าบริกรรมไปไปทำเอาดูสิบอกแค่นี้นะครูบาอาจารย์ไม่พูดเยอะนะไม่มีไม่อะไรดีเท่าบริกรรมฟังแล้วงงเลยท่านให้บริกรรมทาไมค่อยๆมาสังเกตทำไมท่านบอกให้เราบริกรรมเอ๊ที่ว่าเราดูจิตเรารู้สึกตัวเนี่ยดูไปดูไปนานๆพอเราทิ้งสมถะนะมันไปรู้อยู่นอกๆ อย่างที่หลวงพ่อไล่โขกพวกเราตอนนี้หลายคนนะคือเราเหมือนกับรู้สึกตัวแต่ไม่รู้จริงมันไปรู้อยู่นอกๆใจมันไม่ถึงฐานท่านถึงให้บริกรรมบริกรรมกำกับไว้ให้มันถึงฐานความจริงมันก็มีหลายวิธีที่จะให้ถึงฐานพอเรารู้ว่าไม่ถึงฐานนะมันก็ถึงของมันเองได้หรือเราไปทํำสมถะนะจิตรวมลงมาก็ถึงฐานถอย อ, อมามาตามดูจิตที่จะดูได้พอดีเป๊ะเลยแต่พวกเราถ้าไม่มีฌานไม่มีสมถะ หัดดูไปเรื่อยๆต้องคอยสังเกตกันบางทีเหมือนกับรู้สึกตัวอยู่นะแต่ไปรู้นอกๆรู้เข้ามาไม่ถึงใจจริงๆอะ่ะถ้ารู้มาไม่ถึงจิตถึงใจอย่างแท้จริงนะอริยามรรคจะไม่เกิดขึ้นนะถ้าใจไม่ตั้งมั่นพอไม่มีกําลังพอเพนะฉะนั้นเวลาที่เราบอกดูจิตดูจิตจะดูจิตลูกเดียวได้ไหมไม่ค่อยจะได้หรอกนะงั้นก็อย่าทิ้งสมถะนะแต่ถ้าทําสมถะแล้วเครียดแข็ง ทำไม่ได้จริงๆก็ไม่ต้องไปทำมันให้สังเกตเอาใช้ความสังเกตว่าจิตมันไม่ตั้งมัน่นเห็นจิตมันไหลไปอยู่ข้างนอกอะไรเงี้ยถ้าสังเกตได้แล้วจิตมันจะกลับมาตั้งมั่นได้โ ย, ยมเยอะนะทํามาหลวงพ่อมันก็เลยปัดแปรไปมาแต่รอบนี้ดีกว่ารอบเช้ารู้สึกไหมรอบเช้าพวกปัญหาชีวิตเยอะ <laughs> คนน่าทำไมชอบเอาความรุ่มใจมาเล่าให้พระฟังแต่หลวงพ่อไม่ฟังนะสังเกตไหม หลวงพ่อไม่เปิดโอกาสให้พวกเราพูดมีบางองค์นะอาจารย์มหาวิบูร์ท่านใจดีท่านเป็นพระโพธิสัตว์ใจดีอยู่แม่สอดนะคนชอบมาเล่าความทุกข์ให้ท่านฟังด้วยเลยนะท่านก็นั่งฟังนะฟังแล้วก็ปลอบไปยิ้มไปเช้ายันข้ามทุกวันเลยนะมีลูกศิษย์คนหนึ่งเสียอาแกเริ่มสังเกตว่าคนที่มาหาอาจารย์นี่นะมันบ้าๆทางนั้นเลยแวไปบอกอาจารย์เออท่านอาจารย์ ไอ้หลวงพ่อครับผมดูๆนะคนมาวัดเราหมันบ้าๆนะเอ๊ะกูบ้าด้วยเปล่าเนี่ย <c oughs> <c oughs> แลเกิดฉเฉลียวใจนะเอ๊ะกูก็บ้าเปล่าเนี่ยนะก็แบบเดียวกันนะคือมีเรื่องกลุ้มใจก็ไปนัง่งเล่าเล่าเล่าเล่าแล้วแกก็เริ่มสังเกตเอ๊ทุกคนนะเอาความทุกข์มาใส่อาจารย์มาเล่าท่านก็นั่งยิ้มไปปลอบไปเรื่อยเดี๋ยวเขาก็ไป <c oughs> เดิมนะท่านทําสมาธิเก่งมาก มหาวิบูลเล่นกรสินจิตใจเข้มแข็งมีของเล่นมีอะไรนี่พอคนมานั่งเล่าท่านทั้งวันทั้งวันท่านไม่มีเวลาภาวนาของท่านนั้งเหนื่อยแต่ละวันเสียอาก็ไปถามท่านว่าอาจารย์เครียดไหมเครียดอ๋อเครียดแล้วทำไงคงนึกว่าท่านจะตอบว่าเข้าสมาธินะเครียดแล้วต้องฉันพาลาเนะ้อ ใหความทุกขนะ์นั้นไม่ต้องไปแจกคนอื่นนะหลวงพ่อไม่รับนะมีความทุกข์ขึ้นมาดูเข้าไปดูตัวเองนะความทุกข์เอาไว้เรียนเอาไว้เรียนรู้ชีวิตไม่ได้อรรถอร่อยอย่างที่คิดหรอกชีวิตมีความทุกข์ตลอดเวลานะเอาไว้ดูของเราเองนะอย่าไปนั่งราพันนะไปนั่งปรับทุกข์กับคนอื่นนะมันสบายใจนะแล้วมันไม่ได้แก้ปัญหาจริงสบายใจเดี๋ยวมันก็ไปหาเรื่องทุกข์อีกมันไม่รู้ว่าทุกข์เพราะอะไร ไม่รู้ว่ามีความทุกข์แล้วควรจัดการยังไงไม่รู้อะไรสักอย่างมีความทุกข์แล้วก็ไปนั่งลำพันไปเรื่อยนะบางคนมีอาชีพรับจ้างได้นะรับจ้างฟังความทุกข์ของหมอดมูคนเราชอบไปเล่าเล่าอะไรให้หมอดูฟังนะแล้วพวกหนุ่มๆก็ชอบไปเล่าให้หมอนวดฟังเห็นไหมมีอะไรก็ไปลำพันนะสบายใจกลับบ้านนะเดี๋ยวเห็นอีแก่ที่บ้านก็พอทนดูได้สบายใจ มีความทุกข์แล้วมันแก้ทุกข์ด้วยวิธีนี้แก้ทุกข์ด้วยวิธีนี้พวกหนึ่งไปกินเหล้าไปดูหนังฟังเพลงนะมันหนีความจริงไปวันวันหนึ่งเนี่ยการแก้ทุกข์อย่างนั้นไม่ได้เรื่องหรอก่ะไปปรับทุกข์จอไปหลอกตัวเองหนีความจริงอะไรนี่ไม่ได้ผลหรอกหันมาเผชิญเลยชาวพุทธต้องกล้าหาญนะเป็นาศาสนาเดียวเลยที่บอกว่าให้รู้ทุกข์เนี่ยาศาสนาอื่นไม่มี ศาสนาอื่นเนี่ยนะบอกชีวิตเราเป็นทุกข์เพราะมันมีบาปอยู่อะไรเนี่ยนะให้พักดีกับพระเจ้าซะให้รักในเพื่อนมนุษย์ให้อะไรอย่างงี้ซะจิตใจจะได้มีความสุขมากขึ้นมากขึ้นมีแต่ศาสนาพุทธนี่แหละมีความทุกข์นะหันมาเผชิญเลยทุกข์อยู่ที่กายรู้ลงที่กายนะทุกข์อยู่ที่จิตรู้ลงที่จิตดูลงมาเลยนะดูซ้ําแล้วซ้ําอีกเลยดูลงไปจนวันหนึ่งเห็นนะมันไม่ใช่เราเนี่ยมันไม่ใช่เราจริงๆนะมันเป็นเราเพราะเราไปคิดเอาเอง พอเห็นมันไม่ใช่เราจริงๆนะตัวเราจริงๆไม่มีโลกนี้ว่างเปล่าจริงๆเห็นโลกนี้ว่างไปหมดเลยนะความทุกข์ไม่รู้จะแต่งแต้มลงมาตรงไหนได้เลยมันพ้นทุกข์ได้จริงๆแล้วจิตใจนั้นมีแต่ความสุขนะเต็มอิ่มอยู่ทั้งวันทั้งคืนเลยมีความสุขที่สุดไม่เคยพบเคยเห็น